أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> <تصفيق> إن هذا لرزقنا ما له من ن ف ا د هذا وإن للطاغين لشر مب جهنم ي ص ل و ن ه ا فبيسالمي هذا هذا فليزوقه حميم و و س ا ق ว่าขารูมิ่งสักลีฮีอาสวะ a จฮะดาฟาอูจุมมุ t a h i m ม m มะอัคุม ล ا มารฮับั م บิฮิมอิน ن ์ฮุมซาล ا นน อัลัลัยฮฺัด نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ن ف س ن ا ومن سيئات ع م ا ل ن ا ما ي ه د الله فلا مضل له و م يضلل فلا هادي له و ش ه د ن لا إله ل ا, إ الله وحده لا شريك له و ش ه د ن م ح م د ا عبده ورسوله اللهم ب ك к أصبحنا و ب ك к أ م س ي ن ا و ب ك نحيا و ب ك نموت وإليك النجور أعوذ ب ك ل م ا ت الله ا ل تامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيء بالله رب ا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا اللهم اني اعوذ بك من الكسل وسوء الكتاب ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بداني و ع ف ن ي في سمي ع و ع ف ن ي في ب ص ر ي سبحان الله وبحمده عداد خلقه فريض نفسي ว่าจินาตอِรซิฮิวามิดَดะกาลิมาติฮิยาหَ ي ُّคอยุมบรหัมติกะอัสตะกิสุ أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرف عيل حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل الله م َ ا c ِ راسماوات والأر عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملك أشهد أن لا إله إلا أنت أ, إ أن ع و ذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشرك و, و أ ن و أ ق ت ر ف على نفسي سواء أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير رب ي أسألك خير ما في هذا اليوم و خير ما بعده ربع زبك من الكسل وسوء التبر ربع زبك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم رحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องที่ร่วมนั่งาสบุห์ที่มัสยิดอันวาลิสุนนะที่นะครับแลพี่น้องที่ ติดตามตับซิรอกุรานที่นั่งอยู่ที่บ้านของพี่น้องนะครับตัาทั้งพวกแม่ค้าที่นั่งอยู่ที่ตลาดนะครับอัลฮัมดุลิลลา์พี่น้องด้วยความเมตตาของ Allah อัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ تعالى อัลลอ์ให้ชีวิตของเรามาถึงวันนี้เนี่ยอย่านึกว่าเป็นความสามารถของเรานะไม่ใช่นี่เป็นความเมตตาก็เรียกว่าวรอห์มะ เป็นความเมตตาที่อัลลอฮฺให้ชีวิตเรามาอยู่มาถึงวันนี้แเราต้องกล่าวว่าอัลฮัมุดิลลอยังบัพโยอื่นไม่มีครับที่เรากล่าวประโยคเหล่านี้นะเพราะเราอ่านตามที่ท่านนาบีสอนและบรรดาสวาบะบ้างท่านนาบีก็จเจริญรอยตามรูปแบบที่ท่านนาบีได้ให้ไหวแล้วรูปแบบของท่านนาบีเนี่ยพี่น้องสังเกตมีอยู่ไปจนกว่าจะถึงวัน รูปแบบอื่นๆหายหมดค่อยๆหายไปแต่ของนบีมหา ม, มัดของกุรานที่มาจากอัลลอ์เนี่ยมีไปตลอดไม่มีวันหมดอายุเนี่ยอัลลอ์สัญญาไว้ใ น, นคัมภีกุรานนะครับไม่มีวันหมดอายุอย่างอื่นๆที่คนที่ปฏิบัติกันอยู่เนี่ยค่อยๆหายไปหายไปหายไป จะเหลือก็ของอัลลอ์และของที่มาจากท่านนบี m u ส a m m a d saw ซัมเท่านั้นการขอบคุณอัลลอ์เป็นเรื่องดีที่สุดไนาะไม่มีไม่มีอะไรดีกว่าการนึกถึงอัลลอ์แล้วเพราะการนึกถึงอัลลอ์เนี่ยทำชีวิตของเรามีบารัมการทานอาหารรวมกันหลายๆคนนบีพูดเองนะมีบารัม ทานอาหารหลายๆคนเนี่ยรวมกันนีบรรยกาศฉะนั้นนบีเนี่ยไม่เคยทานอาหารคนเดียวไม่เคยไม่ร่วมกับภรรยากับลูกมันมีลูกก็บรรดาสัฮาบะนบีไม่เคยทานอาหารคนเดียวนี่เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราวันนี้อย่านั่งทานอาหารคนเดียวแล้วก็มีคนบางคนมาหาท่านนาบีว่าฉันเนี่ยกินอาหารแลี่มันไม่อิ่ม นบีถามว่าคุณกินกี่คนพ อ, อกว่ากินคนเดียวการกินอาหารคนเดียวเนี่ยบราระกัดไม่มีอิ่มน่าอิ่มแต่บราระกัดไม่มีสําคัญนะคนที่อยู่บนโลกนย า, านี้เข้าใจผิดเข้าใจว่าถ้าอิ่มแล้วก็พอแล้วแต่มันไม่ใช่ของอิสลามเนี่ยมันต้องท่วงอะไ้ไม่อีกบาระกัดอิ่มแล้วต้องมีบราระกัดดื่มน้ําแล้ว อิ่มแล้วต้องมีบรารกัรนอนแล้วตื่นขึ้นมาอิ่มเอิบแต่ต้องมีบรกัทรทีนี้บางคนเนี่ยจนไดแต่นอนอย่างเดียวพอตื่นมาสดชื่นจะไม่มีบรกรรมเพรากาพรพอนอนไม่เหมือนที่ท่านนาบีสอนอาจจะนอนแต่แขงขวาแต่ว่าแปลงฟันก่อนนอนมีไหมไม่มีอามน้ำน้ำอาดมีไหมไม่มี แล้วก็อ่านดุอามีไหมไม่มีอ่านสามคุไม่มีรูปทั้งหน้าทั้งตาศาีรษะทั้งหมดเนี่ยตามที่ท่านนบีสอเนี่ยไม่มีแล้วก็พูรอ่านไม่มีอัลลอฮุลลอิลาฮิลลอละก่อนนอนไม่มีแล้วก็ไม่ได้นอนที่ท่นานนบีสอนเนี่ยอานอนมือขวาจับแก้มขวาแล้วอ่านบิสมิลลมัลลาอัอฮิอมลอฮมออ มันก็นอนอิ่มเหมือนกันแต่อิ่มแบบไม่ได้อ่านดูอาไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านาน้ำน้ำมาเนี่ยไม่มีบรกิกรรมถ้าเราอ่านปฏิบัติตามนาีสอนทั้งหมดเนี่ยมีมาลยัยกามายืนเฝ้าเราอยู่บนที่นอนของเราทั้งว่ากับมีเชตนมายืนอนะ่ะมันนอนเฝ้านะ่ะมายืนเฝ้าเราบนที่ น, นอนอนะ่ะจะเรียกเอาไหนท <c oughs> ่านทอดทิ้งศาสนาไปแล้วเนี่ยมันนึกโอชีวิตเรานี่มันต้องโยมกับใคร โยงกับอัลลอ ه แ ล, <c oughs> ะ, แลนะุ <c oughs> <ul> la, ์ุาา์ุาาุุุุุุุุุุุุาุาุุุุุุุุุุุุุุุสุุุุ่าุุุุุุุุุุุุุดุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุอุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่อุุุุุุุุุุุุุอุุุุุุุุุุุุุุุุุุย เราอ่านกันใช่มาลกลมาพบอายาหนึ่งเรื่องผู้หญิงเรื่องผลไม้ก่อนในสวรรค์เนี่ยอลัลลอจะเตรียมมาไว้คนที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยนะอลัลลอจะเตรียมอะไรไว้ไหมบิฟากีฮะเย่นยังอายาที่ห้าสเอนี่ยลองมองดูสิบิฟากีฮะ ก, กาซิรอวะชารบนั่งมุตากีนาฟีฮะ นั่งเองเอกเน อ, อ, อยู่ในสวรรค์นี่ภาพของคนชาวสวรรค์ยาดาหนาฟีฮะเขาเรียกหรือเขาต้องการหรือเขาอยากอยู่ในใจบางทีก็เรียกออกมาเนี่ยหรืออยากหรือเรียกหรือขอขออะไรร็ไหมบีฟากีฮะขอผละมายังไม่พออีกว่าจะบิฟาแกสีหรอ นลไม้เยอะด้วยนี่มีนูอาหารสำหรับคนชาวสวรรค์เอาลอดเล่าให้ฟังนะกัปเพกันแล้วเป็นเรื่องจริงไปน้องอยังไม่พออย่าชบาสรอปแล้วก็เครื่องอะไรเครื่องดด่มสุขภาพดีครับคนในสวรรค์สุขภาพดีหมดถ้าคนดุนยาจะเอามาช้าก่อนได้ไหมได้หรือไม่ได้ผมฝึกเนะ่ะ สุขภาพดีทำด้วยแล้วป่วยก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ถึงสองวันสามวันหายอ่ะควาดกินผลไม้เยอะข้าวเนื้อกินน้อยน้อยหน่อยกินผลไม้กับกินอย่างอื่นเยอะเยอะบินน้าเยอะเยอะหน่อยน้ํำอะไรนะน้ําพึ่งกับน้าอะไรนะน้ำมะนาวน้าอุ่นนี่สูทียิงฟาติมาหน่าพยายามโยงให้ถึงให้ถึงนบีที่สุดให้ยินลูกสาวนบียิงภรรยานบียิงสวาบานนบี มาตรการอาหารการทานอาหารควรจะทานอาหารประเภทไหนเลือกทานอาหารอย่า ก, กินตามใจชอบเวลาไปซื้ออาหารมาจากตลาดเนี่ยมันต้องมีดอาอ่านเพิ่มอีกนะนี่นบีสอนเมื 1, ่อหนึ่งพันสีรอยปีเราประทับใจมากเลยนบีสอนอย่างนี้บิสมิลลาฮีอันนี้กินอาหารทั่วๆไปนะถ้ากินอาหารที่มาจาก ตัตลาดบิสลลัลลิลลายุด mm ุลลมะอัลมิฮิชาอุมฟิลอาร์ิวะลาฟิสซมะวะหุสซามิอุลอาลิใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอคนปรุงมาจะบ้างคนเนี้ยเขาใส่อะไรบ้างเราไม่รู้พยุดพญาเราไม่ขอสะอาดหมดแล้วอ่ะถ้าคนอื่นทำเนี่ยเอามาขายตลาดเนี่ยไม่รู้เขาใส่อะไรบ้างโออัลลอฮ์ฉันขอทานอาหารโดยนางอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหมด ถ้าเอ่ยด้วยนามอัลลอฮ์ไม่สามารถจะทำอันตรายสุขภาพของเราได้ด้วยบิสมิลาลาฮิลลลายุดุมาอัมิฮิชาออมฟิลอาดวะลาฟิสตมะวะหุบสามีเอาลาลิเห้ยังนัน้นนบีสอนนันหมดเลยขอพระผู้นลบะระทด้โยงกันนบนบีเยอะๆนึกถึงสฮาบานนึกถึงหญิงฟาติมา น, นึกถึงภรรยาน บ, บีว่าเขาอยู่ยังไงอัลลอ์ได้เพิ่มบรรกศให้กับชีวิตของพวก เ, าเรา ประมั่จับวายนดัุ่มกอสิ ร, ร์ทุตติภัจโสรบข้างๆของพวกเขานั้นมีภรรยานั่งอยู่ด้วยถ้าเป็นภรรยามาจากโลกดุนยาเนี่ยแล้วล่อแถมมาอีกนะก็นั่นนะฮะรุไนย์อีกเพิ่มอีกเรื่องอิจฉากันไม่มีเรื่องหึงไม่มีเรื่องหัวไม่มีเพราะล่อถอดถออกหมดแล้วจากหัวใจอะ หึงหวงอยู่บนดุนยานี้ทอนนั้นแหละแต่คนที่มี إ ي م านเขาก็ไม่หึงกันนะเขาก็ไม่หวงกันไม่หึงกันเขาไม่ทะเลาะกันเพราะ إ ม م ا ن มันควบคุมอยู่แต่ถ้าไม่มี إ ي م านแล้วก็โ อ, โอ้สนกุกถ้ามี إ ي م านแล้วไปไงครับอันนบีเป็นบุคคลตัวอย่างใช่ไหมทะเลาะกันที่ไหนห ร, ระหว่างพยานาบีไม่เคยทะเลาะกัน แล้วซอบ้านนบีมีภรรยากวไหลายคนเขาไม่ทะเลาะกันน่ะเพราะอะไรเพราะมี إ ي م านคอนโทรลอยู่ไงถ้าใครที่เอา إ อม م ا ن บนดุลยานี้คอนโทรลชีวิตของเขาปัญหาทะเลาะกันจะไม่มีเด็ดขาดคับต่อมาครับกอซิรอตุตโตฟีมีภรรยาแบบไหนครับสายตาเนี่ยมองต่ําบนดุลยานี่เฉงเงอใช่หรือไม่ใช่หชือหัวล อ, อยเลยคนระับ และภรรยาที่นั่งแล้วก็สายตามองเฉพาะสามีตัวเองไม่มองคนอื่นเนี่ยสง่างามไหมนี่สิฟัดของหญิงชาวสวรรค์อามาใชา้บุญญาก่อนได้ไหมได้มีกี่คนอามาใชา้นอกจากคนที่เรียนศาสนาฟังศาสนาที่สามีมีศาสนาแล้วก็อธิบายให้ภรรยาฟังตัว น, นั้นแหละนะครับเอาต่อมาครับอัทรบอกไปว่าอายุรุ่นราวข่าวเดียวกันลอร์บอกว่ Awak kenipok awalnya ayat di si 54. In ha da larizquna ma lahumin nafada In ha da larizquna ma lahumin nafada Alhamdulillah. อายะที่ห้าสบสี่นะครับอินนาฮาดานี่คือฮาดาปวันนี้คืออินนาประวัิวแท้จริงแท้จริงนี่คือไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดนี่แหละมีะไรนะมีผลไม้มีเครื่องดื่มอยู่ในสวรรค์ น, นะมั้แตมีเตียงนอนนั่งชิดคันนึกภาพดุนยาด้วยอยู่บนดุนยานี้ต้องนั่งห่างกี่เมตร สองเมตรเมครึ่ง d i s t a นซิ n s t a n c i n g ใช่ไมแต่บนดุนยามอาคุรอมไม่มีครับโรควงโควิดไม่มีอัลลอฮ์ให้ชีวิตปลอดภัยหมดเลยครับเพราะลำบากอยู่บนดุนยามาแล้วอัลลอฮ์เลยม้อประรางวัลให้ในโลกอาคุรอมในสวนสวรรค์แล้วก็มีผลไม้และมีพระยาที่นั่งหัวไม่เฉงเงยตาไม่เฉงเงมองไครมองเฉพาะสามีตัวเองเท่านั้นเอง แล้วก็อายุรุ่นราวเขาเดียวกันอายุเท่าไรหร่รู้เปล่าสามสิบสามปีกําลังสาวเลยทมดีเลยแล้วเราก็สามสิบสามเหมือนกันอรอคนรุ่นราวเขาเดียวกันเนี่ยไม่ต้องพูดความคิดก็คล้ายๆกันสมองคล้ายๆล้ายกัน إيمان ก็คล้ายค ล, ล้ายกันอวักบันนี้ทวามสุขขนาดไหนครับอย่างนี้เป็นต้น นี้อัลลอฮฺได้เตรียมมาไว้นะทั้งหมดเหล่านี้นะเล่ามาล่ำให้ฟังก่อนลรามาสวปว่าอินน่าดาแท้จินนี่คือลาลิสกูลนามาจากริสกูลแปลว่าริสกีริสกีนะแปลว่าอะไรแปลว่าเครื่องยังชีพนาแปลว่าของเรานี่เป็นริสกีที่อัลลอฮฺจัดเอาไว้ให้เป็นรางวัลตอบแทนให้กับพวกคุณ ที่อยู่บนดุนยานี้เชื่อฟังอัลลอ์ปฏิบัติตามอัลลอ์เรียนสุนนะนบีเอาสุนนะนบีมาใชา้ในชีวิตประจำวันเอาไปเลยนี่รางวัลตอบแทนในสวรรค์กลัวเราจะลืมพูดว่าไงนะอินนาฮดานี่คือลาลิสกูนาเป็นเครื่องยังชีพของเรา เอาเพิ่มอีกเดดเนึงที่ให้กับสูเจ้าแต่ตะกรานไม่มีเราอธิบายเพิ่มได้ที่ให้แก่สูเจ้าเพราะท่านเนี่ยเหนื่อยอยู่บนดุนยามาตลอดเดินมาหนามาที่มัสยิด ต, ตอนซูบโบเหนื่อยไหมถือบวชเหนื่อยไหมอ่าอัลกุรอานเหนื่อยไหมเชิญชวนคนให้ทําความดีเหนื่อยไหมอลัลลอฮ์เหนื่อยหมด ไปห้ามความคนไม่ทําความชั่วก็เหนื่อยเชิญชวนก็เหนื่อยยับย่างเขาก็เหนื่อยอ่านกุรานก่อเหนื่อยลุขึ้นทหารยุทธก่อเหนื่อยอบรมลูกก็เหนื่อยแต่เราเหนื่อยเราหวังอะไรรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺอัลลอฮฺฮาลิลลัลฮิโน้กับนี่ไงสบายใจไหมสบายใจทีนี้รางวัลที่อัลลอฮฺเล่าให้ฟังนี่นะหมดอายุหรือไม่หมดอายุอันต่อไป มาละหุมินนาฟดอัลลอฮุอัรมาละหมินนาฟดนาฟดเ่มาจากรากศัพท์ว่านาฟัดานูฟาดานแปลว่าใช้ให้หมดใช้แล้วหมดนาฟดานเนี่ยแปลว่าใช้แล้วหมดกินแล้วหมด ดื่มแล้วหมดอยู่ไปตายอ่าแต่ถ้ามาลาหูแปลว่าไม่มีมาลาหูแปลว่าไม่มีอัลลอฮฺอักบารไม่มีหมดอ่าไม่มีวันหมดอายุกินแล้วไม่หมดอยู่แล้วอยู่ไปตลอดไม่มีวันหมดอายุมาลาหูมินนาฟาสบาใจน ตัลวลวงพ่ิสกี้จะร่มอบให้ในสวรรค์นั้นหมดอายุหรือไม่หมดอายุ <laughs> ไม่หมดอายุอัลฮัมดุลิลอยางอาทิตย์ที่แล้วจะมามีอยู่ซับอยู่คำหนึ่งยันอนิ น, น, น, นใช่อายท่รนะอายที่ส น, นินแต่ว่าสวรรค์หลากหลายอนินเนี่ยแต่ว่าอยู่ไปไม่มีหมดอายุอันนี้มาเสริมอกีก ละมาเรามินอาฟริสกีที่อัลลอให้ในสวรรค์นนะั้นไม่มีวันหมดอายุสบายใงไหมเอามาดูโลกโลกโลกดุนยาไปนี่อะไรบ้างที่อยู่ทาวนา์มีบ่า <c oughs> ตัวเราอาทิตย์ที่แล้วคุณป่วยนะทองเสียก็ทองเสียเพราะอีวันหนึ่ง ก็ควาหยท้องเสียแล้วมันเพรียลุงลูกก็พาไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าล um ุงสายจะเป็นโรคโคร์เ um ื่อโอ้โหเราอย่านั่งขอ้อาให้ปลอดภัยปลอดภัยอาอนนั้นอา์นนี ah ่อูซ้นวัจุนนวัจายอิลอาสกอบบำเพยอิลอคลดคว้าพี่น้องก็เขาไปเอ็กซเรย์ปอดสองข้ง ปลอดภัยทำตัวลินแล้วปลอดแข็งแรงเช็คเลือดตกลงว่าเลือดดีกว่าเก่าเอาล่บังวดเช็คอะไรเช็คตับค่าตับดีกว่าปีที่แล้วทำตัวลิน แ, แล้วพอหมออธิบายฟังกำลังใจม า, าการทดสอบจากอาลัลลอฮ์มีมาตลอดต้องนึก เ, เสียตามไปบ้างสาวก ดูแลเองไม่เป็นยังมาต้องอาศัยหมอนี mm ่ยอร่อยทดสอบหมเลยเนี mm ่ย hmm. มาอร่ออา้าวทำเดือนคือว่าทดสอบทุกคนไม่ถูกทดสอบให้ป่วยก็ถูกทดสอบให้มีเงินน้อยถูกทดสอบให้ลูกดือ้อให้เมียบน่นมันก็ตามมาตลอดละพี่น้องถูกทดสอบหมดแล้หล่ะพี่น้องกินอาหารไม่ถูกปากมีไม่มีทั้งหมดนอนไม่หลับมีไหมมีถูกทดสอบจอากอัลลอฮ์ทั้งนั้นถ้าเป็นมุมินอย่าเครียดพยายามยอมกับร อ, อไว้ อเราจะอย่ให้เบาวป่วยมากกว่านี้เลยนะอลเรารับหมดเลยครับเอาต่อมาครับตูนลงว่าในในอาคีรอนเนี่ยรฤสษีที่เลาร้อให้เรามาเนี่ยในสวรรค์เนี่ยหมดอายุไหมนึกภาพให้ออกกันือนกันนะพอเราเห็นภาพดุงยาเนี่ยมันหมดอายุหมดนะบ้านก็เก่าขึ้นรถก็เริ่มพังขึ้นตัวเราเองก็ต้องไปหาหมอเงินก็น้อย ดุนยานี่ไม่มีอะไรถาวรจริงๆเลยแต่อาคยเราถาวรหมดเลยเนี่ยอยากจะอยู่บนโลกอาเราจะได้เห็นว่ามันถาวรเป็นยังไงะฮัมดลิลลาอยากเข้าสวรรค์กันไหมฮัมดลิลลาขอวาให้เข้ารับต่อมาครับฮะจัลลอฮอลุบาร์ฮาจัลเนี้อธิบายดิษคาว่านาฟารเนี่ยนะ นาฟาเนี่แปลว่าหมดหมดอายุนะถ้ามาละมาละหูมินนาฟไม่มีวันหมดอายุในะคุณอ่านอธิบายอย่างนี้นะครับคนที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะ <c oughs> อรลาะบอกว่ามาอินดกุมยัมฟาดูอะไรที่มนุษย์ครอบครองอยู่นี่นะหมดอายุหมดสบายใจไหมว่ามาอินดะลอฮิบากิน สิ่งอะไรที่อยู่กับอัลลอฮ์นั้นอยไปตลอดไม่มีวันหมดอายุเนี่ยร่อนเล่าอีกนะอิยาตุซงอิลลั้ที่น่ามนุษย์และผู้ที่ประกอบการดีสําหรับพวกเขาคือรางวัลตอบแทนอันมิสิ้นสุดเนี่คนที่นมาท่าเวลา คนทำงานศาสนาคนที่อ่านอลัลกรุรอานคนที่ศิกษารุลล่นละคนที่ดูแลพ่อแม่อ่านใจใส่ดูแลคนอย่าให้ทําบาปดูแลลูกให้ดีดูแลภรรยาให้ดีรางวัลตอบแทนจากอรรถนนะั้นไม่มีวันหมดอายุไวรุมมามูนเห็นไหมพี่น้องที่นมาดนี่นะผละบุญไม่หมดนะพอตายิ่งเห็นตายยิ่งเห็นตตายยิ่งเห็น ตอนอยู่บนนัยนี้เราลองให้เห็นไหมไม่เห็น น, นันอย่าท้อ อ, อีกอายานึงนะครับติ <c oughs> ลกลอุกบลนตะกอกูลฮด้มวลฮะผลไม้ที่อยู่ในสวนสวรรค์ไม่มีวันหมดอายุหมดแล้วเติมมาอกีกหมดแล้วเติมมาอกีกเครื่องดืม่มหมดแล้วเติมมา อ, อีกอรแล้วก็ นี่เป็นรางวาัลสำหรับคนมุตตตีนสบายใจไหมพี่น้องเอาวันนี้ต่อไปจะดูคนโชั่วละเอาต่อไปคนชั่วฮาดาฮาดาวะอินนัลิปตอรีนละชัลร์มาบฮาดา و อินนัลลอตาะอินนัลลอชัรรมาอับอัลฮัมดุลิลลาฮิมันอัลกุรอานสบายใจนเป็นความรู้นะทานี่ที่เล่ามาทั้งหมดนั้นนี่เป็นอะไรนะเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ทำความดี ฮาดากีครั้งล้นเนียหลายครั้งแล้วนะฮาดาฮาดาฮาา น, นี่เป็นรางวัลสำหรับคนที่มุตตะกีนเอาต่อมาวาอาอัอินนาลิกตอรีนอินน่าแปลว่าแท้จริงลี่แปลว่าสำหรับตอรีนแปลว่าผู้ที่ละเมิดคำสั่งของอัลลอ ละเมิดขอบเขตเอลัลลอฮฺสั่งแค่นี้มันทําเกินหรือทําขาดตอวีนี้สองความหมายนะทําเกินหรือทําขาดหรือไม่ทําเลยเอลัลลอฮฺสั่งให้นมาสยิดมันไม่นมัสยาดทำให้ถือบวชไม่บวชมันเอาอารมณ์มันเป็นใหญ่สั่งว่าให้นอนมีน้านมาสดฉันไม่เอาให้อ่านคัรา่าฉันไม่อ่านฉันอ่านหนังสือพิมพ์ ก็มีมันของมาทดแทนเยอะบนโลกนี้นี่ใช่ไหมล่ะให้แต่งงานอยู่กับภรรยาฉันจะอยู่กับดีนาอ้าเนี่ยที่ทําอะไรเกินขอบเขตทั้งหมดเนี่ยนะบอกกันไปมากะแม่งไปเยี่เที่ยยุโรปดีกว่าเพลินดิอ้ามีเต้นรำเต้นราเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่มา ก, ก้าไม่ไหวเจอคนตะวันตววตะ ว, วันไม่เอา้าก็ไม่ไว่าอะไรกันอาลอนเล่าให้ฟังว่าอินนาลตอริน สำหรับผู้ที่ละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์ทุกคนในโลกไม่ยกเว้นใครด้วยอย่างครับเป็นงไงครับลาชาร์รอมอาอาบชารุนแปลว่าความเร็วหรือความชั่วนะครับมาอาแปลว่าที่กลับมัจยะหรือมอสัสยิดคำศัพท์เกี่ยวกันมาอาแปลว่าที่กลับ ที่กลับของเขาเป็นยังไงครับลาชารโรคือชั่วชาเลวสามแย่โ yeah. อ oh. ขาดทุนท่านคนชั่วเป็ น, น้องคนที่ละเมิดคำสั่งคาสั่งของอัลลอ์และของนบีนด้วยนะเพราะนบีนมาอธิบายนะครับเรื่องนามาฎมาอธิบายนามาฎทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะอามนะนามาฎอย่างนี้นะตั้งแถวอย่างนี้นะตักบิดยกมือแค่นี้นะกดอกแค่นี้นบีสอนหมด แต่ไม่ทำตามนาบีนะครับพอไม่ทำตามนาบีครับพอตายแล้วพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยอรรรเล่าชีวิตหลังตายนะอยู่ในทุ่งมาชาดเนี่ยเป็นไงครับละชาร์รอมาบชาร์รอดแปลว่าชั่วชา verb, ้ามาาบแปลว่าที่กลับที่คืนสู่อันชั่วชา้าเขาจะพบกับ ชีวิตมั่นปลายของเขาอย่างชั่ว้าวอย่างเร็วซ้ำเข้าใจง่ายใช่ไหมลำอยู่เรื่ๆพี่น้องอตอร์เนเนี่ยต อ, ตอร์ตอร์นบอว่าผู้ที่ละเมิดขอบเขตส่วนใหญ่น่ะพวกกุฟารกุฟารนสุดต่เล่นประเทศนครมักกะเพื่อให้นาบีได้อธิบายง่ายๆ อา랍ในละครมักา้าที่เป็นคนกาเฟ่เนี่ยต่อต้านนบีหรือว่าส่งเสริมนบีส่วนใหญ่ต่อต้านนบีหมดเลย น, นบีโกรธไหมไม่โกรธครับเพราะนบีรู้นบีให้อภัยไหมให้อภัยอขอยกตัวอย่างง่ายๆนบีไปสอนศาสนาที่มังตออิฟสิ่งที่นบีได้รับนะ่สกีรายการสามรายการนี่เป็นเรื่องจริงนะถูกด่า ถูกไล่ถูกไล่แล้วก็ถูกขวางไปหินนบีโกรธเรื่อให้อภัยโกรธทําไมให้อภัยอ่ะก็เพราะนาบีเห็นน่ะการให้อภัยคือรางวัลอันยิ่งใหญ่ในโลกอาคือร้อยหลายคนที่ขวางเนี่ยมันไม่รู้น่เพราะมันไม่เชื่อโลกอาคือร้อยอย่างเดียวเนี่ยใครมาขวางกูกู ด, ด่าหมดกูดทำลายหมดน่ะยันยูดีวันนี้ก็เป็นกันทําลายอิสลามเพราะมันเข้าใจว่าอิสลามมันต้องผ่านมัน ผ่านคนอื่นไม่ได้แล้วไปผ่านโลกอาหรับทําไมนบีมุฮัมมัดต้องเป็นนบีคนสุดท้ายต้องมาในกลุ่มยาฮูดีนี่อัลลอฮ์ให้เกิดเจนครมักกะมันก็ลูกหลานนาบีอิบรอฮิมนั่นแหะใช่ไหมล่ะลูกหลานชายอีกนบีอิสมาอีเนี่ยเรลับใช่ไหมแล้วก็ยากรูอิชฮากะลูดนบีอิบราฮิมทั้งหมดพี่น้องกันเองทะเลาะกันเองวันนี้ เราไม่ใช่อารับเราเป็นอาจมีแต่น ب ียงยงไม่ใช่อารับที่จะเข้าสวรรค์ไม่ใช่อารมีจะไปสวรรค์ไม่ใช่ผิวดําจะไปสวรรค์ไม่ใช่ผิวขาวจะไปสวรรค์อิลลากิตตักวาคนจะไปสวรรค์จะเป็นผิวไหนก็ได้อยู่ประเทศไหนก็ได้ต้องมีตักวาเห็นไหมคำตัดสินของอัลลอฮ์ของสันนบิจริงมันชัดเจนหรือพูดง่ายๆจะเกิดที่ไหนก็เกิดได้ จะเกิดในรัสเซียก็เกิดไปเกิดในอเมริกาเกิดในเมืองไทยจะเปิดนั้สนสลานก็เกิดไปเถอะแต่เกิดมาแล้วอยู่บนดุนยานีก่อนตายต้องมีอิสลามติดตัวไปเวลาตะมูตุนนะอินละวะอันตุมมุสลิมฮุออนเนี่ัลลอฮ์เนนนะอย่าตายเป็นเด็กขาดจนกว่าท่านทัางหลายจะได้เป็นมุสลิมเป็นมุมิ i ที่สมบูรณ์ก่อนปฏิบัติศาสนาตาม น, นบีอัลหมัดให้ครบบริบูรณ์ก่อนแล้วค่อยตายและมีคนเชื่ออีกคนพอออกไปได่าว่ากระทุกดาอีกเหมือนงั้นมายุ่งกับกูกูทํามาหากินกูสบายอยู่แล้วเพิเงินกูมีบ้านกูมีรถกูมีมีศาสนาไม่มีนี่อัลลอห์ให้เล่าให้ฟังอนะอยู่บนดุนยานก็อยู่ได้ได้แต่ไปเจ อ, อยังไงเจอด่าสุดฐานแรกรก็ได้กูโบอัลลอกฮ์ เอาต่อมาพี่น้องมีศ <c oughs> ัพท์สองคำนะมุตตอรีกับมุตตตีกระจายนะตอรีหมายถึงคนชั่วมุตตตีนคือคนดีคนดีอยู่ในสวรรค์หมดคนชั่วอยู่ในนรกหมดต่อมาครับอายาที่ห้าสิบหกเล่าเรื่องที่กับที่กับที่ที่ชั่วชา้าคืออะไรครับยันนามา ยาศลนาาฟบิสลมิฮาดจานนามยาศลนาาฟบิสลมิฮาดประทับอล่ะอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮเล่าไม่ฟังบุจะไม่เข้าใจที่กลับอันชั่วช้าเร็วสามน่ะคืออะไรครับในโลกอาคิร์ไน่ะ นคนไม่เชื่อเรือัลลอฮ์หวเราะเฮานรกมีเหรอฉันไม่เชื่อบางวัน ม, มีปัญหากินไปเลยแพะตุนพันตัวจนกว่าจะตายหรือสกิลของอัลลอฮ์ไม่ยุบเอาคาราฮารไปเลยสามสิบล้านอววัลลอฮ์หักเบิรไปแบบฟารโรห์หม้มาหอยู่คาราฮารใหญ่ไม่เคยเป็นวัดไม่เคยจามอะแล้วเป็นไงครับ จมน้ำตายสงางางามไม่หละ่ละแล้วศพยังอยู่แม่งเก็บไปทํรรราอะไรเอาลอดเล่านะเก็บไปเป็นตัวอย่างของคนชั่วเองเอาอย่างฟาโร่เองเจอแบบนี้แหละแต่คนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อก็ปล่อยไปไม่มีปัญหาแต่เราหน้าที่เราต้องสอนอยานนำคือนรกครับคือนรกมันมีอยู่ประมาณเจ็ดขุมยานนำเนี่ยเบาวสุด นี่เล่าให้คนมุมลินฟังคนมุมลินแม่ไม่นามาตย์มีไหมมีนามาตย์ปีละสองคันมีไหมมีสนใจศาสนาไหมก็เยอะไม่สนใจอ่ะเป็นแค่อย่างเดียวพอพอ่พอเป็นมุสลิมโตเป็นมุสลิมสามโนครัวเชื่อว่ามุสลิมฉันพอแล้วไม่ต้องเรียนใช่ไหมเอ็งเจอจะหันนำหมดเราจะหันนำเป็นไงครับยัสลานะ ยัสเลาว์ดิมานายาดูรูนะฮะแปลว่าเข้าไปอยู่ในมันเข้าไปอยู่ในนั้ น, ม, น ม, มันทีศัพท์บางทีก็ยัสลาวน ะ, ะแปลว่าเข้าไปอยู่ในนั้นเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยสถานที่อยู่ของเขาเป็นไงครับฟับบิสชั่วชา้าเลวไม่ดีอัน อัลมิฮาดมีฮาดแปลว่าที่พำนักที่พักอาศัยหรือว่าอู่นอนที่นอนของเขาเนี่ยเป็นที่นอนที่ชั่วช้าแท้ๆเสียงนีก้กันละนี่เล่าให้ฟังแล้วนะนรกมีจริงวันอาคือรอ ม, มีจริงคนไม่เอาศาสนาถูกแบบนี้จริงๆคนกาแ ฟ, ฟฟังวะหรอคฮะ คนแขกอะไรก็<บ>ท่ากท่อ้าวไม่มีทหารเชิญตามสบายแต่หน้าที่เราก็ต้องสอนสอนในภรรยาฟังให้ลูกฟังนะครับในคำว่ามีหาาในภาษาอุนดูอธิบายบอว่าอารามกั น, นกีนกิจะกางแ ห, ห่งที่พักที่นอนไอ้ไหมที่พักที่นอนอ้าวเรานึกถึงภาพเนี่ยที่เรานอนมาเราวันนี้ ที่นอนเย็นๆใช่ไหมแอร์เย็นๆสาวว่เาเราให้บนดุญยานี่นะนี่ให้ชั่วคราวนะ่ะยังหลงขนาดนี้ทำไมหลงก็เพ่อไม่อ่านกูอานเนี่ยพออ่านกูอานโอ้นี่นอนนี่ชั่วคราวเวย <c oughs> นอนตีสามครึ่งแล้วดูขึ้ น, นมาต่ฮัสยุดดูบ้านนี่นมานอนชั่วคราว เดี๋ยวไปนอนแบบถาวรในอาคิรอลไม่ดีกว่าหรือไ <c oughs> ด้ไหมพอเข้าใจศาสนาแล้วสบายใจไปนอนครับจะนั้นมีฮาแต่ว่าที่นอนนี่ชั่วคราวนะแต่ที่นอนถาวรมีไหมมีครับบ้านถาวรมีไหมมีครับพระยาถาวรมีไหมมีครับ แม่ไม่เอาของที่มันถาวรเน้องเหนื่อยบ้างเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆเหมือนใครเหมือนท่านนาบีมุฮัมมัดฮุลต่านทำงานเหนื่อยแล้วถูกด่าไม่ได้เลิกทำตลอดไปตลอดอ้วยิ่งด่ามากท่านทำมากประทับทำไปทำไปทำไปสำเร็จทำอยู่ีเล่าต่อมาครับห7เจฮาๆๆ ف َ ل ْ ي َُ و ق ُ ح َ م ِ ي م و َ غ َ س َ ا ق هَذَا ف َ ل ْ ي َُ و ق ُ ح َ م ِ ي م و َ غ َ س َ ا ق ا ل ل ه أكبر นี่คือฮาดาไอ้ น, นี่คืออันนี้นะไม่ไม่ใช่นี่คือสวรรค์นนี่คือนรกอ่าเล่าย้อไปย้อ ม, มาให้เข้ า, าขใจง่ายงฮ า, า, าดานี่คือการลงโทษนานี่คือนรกนาฟัลยาลูกูราก็ยาลูกูแปลว่าชิมอ่าฟัลยาลูกูฟาแปลว่าดังนั้นจงให้พวกเขาชิมมัน ฟลยาดูปูหูเนี่ยพวกเอกพพนะใครที่ทรยศต่ออัลลอ์แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนต้องได้ชิมหมดไม่ยกเว้นใครเลยเห็อยังครับอย่าหันนำนะเบานะเบาไหมเบาเบาขนาดไหนนึกเองที่นบีสอน่ะเหยียบก้อนหินสองก้อนที่อุ้งเท้าแล้วก็มาเดือดี่สมองนั่นคือเบาสุด อย่าไปเสียงเลยอรงเลยชื่ออรรถเธอตามกุรอาน ต, ตามนาบีจะเรียนเธอนะจะผ่านทางไหนก็อยู่ในความสามารถของแต่ละคนนะครับฟันเรูกูจองให้พวกเขาชิมมันนี่แสดงว่าอรรถสั่งละเดงานนี้จะมาแหละแต่ละคนแต่ละคนที่มันชั่วช้มีไหมอรรถมีหมดมีชื่อหมดเพราะมีมันเดียกาสององเฝ้าอยู่แล้ว มือพูดเท้าพูดมันจะหนีไปไหนทำดูนี่แหละหามีมุลนี่มีนูอาหารสำหรับในรนรกน่ะหามีแปลว่าน้ำเดือดน้ำเดือดนึกภาพน้อน้ำเดือดเนี่ยเราเองกินกินได้ป่านน้ำเดือดไม่ได้แต่วันนั้นกินได้อ่ะพอกินไปแล้วเนี่ยไส้พุงเนี่ยล้ออักบัส ไม่กินก็หิวอะ่ะหิวขอน้ำหน่อยเอาเอาไปพอกินกับโอโลูถูกปากก็พองถูกอะไรก็พร้อมแต่เลาเองต้องกินอะ่ะไม่กินอยู่ไม่ได้มันต้องกินอะ่ะฮัมมน้ำเดือดเดือดเราเนี่ยเรือดเดือดแค่เท่าไรนะร้อยร้อยรอยองศาแต่ในนรกมันมากกว่านี้อีกเจ็ดสิบเท่าอะ่ะนึกภาพอะ่ะ อีกเจ็ดสิบเท่านั้นร้กันอันนอ่ะนัน่นเราเหมาะสาหรับคนชาวนรกขามมน้าเดือดต่อมารอสซาแปว่อะละรอสซาแปลว่าน้าเหลืองน้าเหลืองคือนอกในตั้งิทอธิบายดีนะเขาบอกว่าฮามีมุ น, ม า, ม, ม, นนะมาอุนชาดีดูลฮารอรน้ำที่ร้อนจัดน้าที่เดือดจัด นะครับส่วนอคอสซากเนี่ยแปลว่าน้ำที่เย็นจัดน้ำเหลืองนะเย็นจัดน้ำน้องก็เย็นจัดกินไหวไหมล่ะอยู่บนดุนยาเนี่ยอโลอัตอโลให้นะ่ะเหมือนจิตนสวรรค์เลยมีตู้เย็นใส่อาหารใช่นไหม ดูแต่อาหารไม่ให้นาวให้เปื่อยเอาเอาตู้เย็นไปแล้วคิดถึงฉันดนาะปุ๊บจะเปิดตู้เย็นอันบิสมิลลาด้วยนาะปิดตู้เย็นโอ้ตรงนึกนี่เอาล้อให้มาอยู่ในบ้านเราเนี่ยเอาล้อกรให้มาเอาล้อบ้าจะกินอาหารได้กมนึกเอาล้อให้มาแต่คนกาเฟ่นิร์คไหมนิรหรือไม่นึก์คก็ปล่อยไปไม่น้องรัหน้าที่สอนนะนะครับตัวลงว่าในอายะ สุราฮากว่าาตออา mun อิลลามิ น, มนริสลินสำหรับชาวนารกนั้นไม่มีอาหารอันใดนอกจากน้ําที่ล้างแผลนะเราเคยเป็นแผลใช่ไหมเราเอาเคยไปหาหมอใช่ไหมหมอเอายําน้ายามาล้างแผล น, ะนั่นแหละอาหารของคนชาวนารกน้าล้างแผลน้ําฉาแผลเอาไปเป็นอาหารของชาวนารกเห็นยังครับ ขอมาออนวอนเรอยากให้ตกนรกเลยพื่อน้องอยู่กับอลัลลอ์ก่อนอยู่กับอิสลามนี่แหละพื่น้องเอ้ยได้เมีย ม, มุสลิมพอเมียตายกลับไปอยู่แบบเดิมก็เชิญไม่มีปัญหาอลัลลอ์ไม่ได้วอรี่เองนะเองจะเสียใจเองอ้อนวนอจใหญ่ก็อยู่กับมุสลิมมาตั้งหลายปีพอเมียตายกลับไปอ๋อมาเสียใจตอนตายนะไปเห็นนรกอายาอัลลอฮ์อัลเบอยากจะกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นน่ะ แล้วผูหญินมุสลิมบางคนไปแต่งกันกับคนพุทธไปเป็นพุทธดีใจอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็หลายคนก็กลับมาน่ยพราะขังศาสนานี่แหละพี่น้องครับใครจะเป็นอะไรก็เชิญตามระบาดไปเป็นกาเฟ่ก็เชิญอร่อยไม่ได้วอรี่สักนิดหนึ่งตกลงว่าน้ําเดือดร้อนไหมร้อนน้าหนองมีไหมมีน้ําฉะแผลมีนางล้างแผลมีครับแผลใครครับแผลคนคนนรกอนะ่ย แล้วก็เย็นไม่เย็นเย็นมากก็กินไม่ได้ร้อนจัดก็กินแต่ต้องกินพอมันเรียกร้องหิวหิวหรอเอาตัวมาครับอายาที่58ว่าคารุมินชักลีอัจวัจ ว่าอัลฮั์รุ่มในรูปลักษณ์ของเขาภรรนี่อันอันอันอันอันทับทรัยนี่ขอพะัมภีรที่อธิบายว่าว่าไงรูเปล่า น, น้ำเหลืองเนี่ยนะน้ำหนองเนี่ยนะไหลมาจากผิวหนังชาวนาโ่แล้วเอามากองเอาไว้ เอาเดิมเอ็งชั่วมาทั้งชีวิตเลยชั่วมาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยมาดที่ฉันให้กับเธอน่ะเยอะแยะแบบหมดให้มีตําแหน่งเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นให้บ้านอยู่ให้รถขับให้มีภรรยาผู้หญิงตั้งเยอะแยะไม่ได้เคยคิดถึงฉันแม้แต่นิดเดียวเอาไปนี่เป็นการตอบแทนที่เอ็งทรอยต์ยศกวาฉนอีกคำหนึ่ง รดซากนี่แปลว่าเป็นน้ำตาที่ไหลออกมาจากชาวนรกน้ำตาร้องไหนนะ้น ร, รกตลอดชาตฉันทนไม่ไหวแล้วขอร้องให้ตายอยู่บนนุ ญ, ญาเนี่ยกลัวตายกันใช่ไหมอย่าให้ฉันตายเลยแต่อัลลอฮ์เล่าคนในนรกทุกคนอยากตาย เราแเองไม่ตายนึกถึงดุญยาเลยออยู่บนดุญยาดีกว่าเจ็บแค่ตายแต่ในนรกเจ็บแล้วไม่ตายเอาเอาไงอะ่ะ <c oughs> นาองซิบิลตายไม่ตายดีอยากตายจะตายได้ไหมไม่ได้อยู่บนดุญยานี่ไม่อยากตายหายา ก, กินกันกินนู่นกินนี้ให้ร่างกายแข็งแรง เพอไปวันเทียมอาอัลลอฮฺจะาอยาก <ś les> ตอายอัสตะบิลลอฮฺอ้าวอายานี่หาสิแบบวะอารุอาร์โคะแปลว่าอื่นอีกหมายถึงการลงโทษแบบอื่นอีกก็มีไม่ใช่แก่น้ำร้อนนำหนองนำเหลืองไม่ใช่แค่นี้อธิบายให้ฟังนั่นเนี่ยวะอาอรุ และ อ, อื่นอื่นอีกมินชักลีเหมือนกับอ่าเหมือนกับน้ำเหลืองมีเหมือนกับน้ำหนองมีเหมือนกับน้ำร้อนเดือดเดือดพักมีอย่างอื่นมีอีกนี่เล่าให้ฟังนะไม่ใช่แค่นั้นนะอย่างอื่นมีอีก Akbar อัลลอฮฺอัลลออักลัลออัลลัลล อาชานิดอื่นๆเหมือนกับที่คุณถูกนี่แหละยังมีอันอื่นมาอีกเล่าไม่ฟังเจออีกไม่ใช่แค่น้ำเหลือง น, น้ำหนองน้ำร้อนไม่ใช่ยังอื่นคล้ายๆนี้มีอีกอะไรอัลร้อนอัอลรำเราไม่รู้เห็นไหมอ้าวต่อมาอัลร้อนเล่ า, ลาอีกนะครับ อันอันอันอันอันอันอื่นๆคล้ายๆกับน้ำหนองคล้ายๆกับน้ำน้ำเดือดคล้ายๆกับน้ำฉาแผลนี่นะมีอะไรบ้างข้อที่ห้าสิ้าฮาฟาจุมุกตาฮิมุลอาคุมแลามะรหฮะบัมบิฮิมอินหุมซาลุนนารอัลลอฮุอักบัว นี่ก็เป็นอาซาบชนิดใหม่แต่คล้ายๆกับน้ำน้องน้ำเดือดน้ำฉาแผลคล้ายๆกันอะไรบ้างฮาดาฟาูยมูมุกตาฮมมมิมุลมากุมลามารฮะบัมบิฮมิมอินนุมซาลุนนาฮาดาแลน ว, วันนี่คือ เฝ้ายุนแปลว่าไพ่ทนหรือกองทหารปร mm hmm. กาจะอธิบายว่าคนที่ตกนรกเนี่ยบางคนก็เป็นเป็นเป็ น, ปนหัวหน้า mm hmm. มีไหมอย่างกะไก่ที่ด่ามุสลิมกด่าอิสลามเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยไอ้ในเมืองไทยเนี่ยอะไรเพชรทองเพชรทองอ่านี่เป็นหัวหน้าใช่ไหมแล้วก็มีลุกน้องอีกใช่ั้ยล่ะ แล้วก็ฟาโรหัวหน้าใช่ไหมอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยนะแล้วก็ที่อยู่ในละครมักกาเนี่ยอบูญาฮัลอบูลบาฮ์ใครตะใครที่มาที่เป็นหัวหน้านะลูกน้องมีไหมมีครับฮาดะฟาอูยุนนี่คือฟาอูยุนหมายถึงลูกน้องของสู่เจ้าที่ตามอย่างตามคุณแบบตาบอดเลยลูกน้องที่เดินตามคุณนะ นี่คือลูกน้องเอกอยู่บนดญาจนี่พวกเยอะใช่ไหมเพราะฉันรวยไนงะฉันมีนูน่นมีนี่ลูกน้องเต็มเลยเป็นร้อยเป็นพันฟาโรนลูกน้องเยอะไหมโอ้โหลูกน้องอีกกลุ่มหนึ่งนี่นะตกนรกเปล่าตกครับมุกตาหิมุนรีบไปอย่างยางังไม่ยังคิดตาหัวหน้าแบบไม่ยังคิดนี่ก็เป็นการลงโทษอีชนิดหนึ่งแสบมากครับ ตายคือไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกโอ้โห ล, ลูกน้องอีกพันคนเห็นไหมนี่ก็ทรมานอยู่แล้วไปน้องไม่ใช่ตกคนเดียวหันไปดูตายจริงเฮ้ยนอับัฉันตั้งพักเอาไว้ลูกน้องเต็มเลยตายจึงเดินตามกันหมดเลยอ่ะเป็นไงครับ มาอากรุมร่วมกับสูรเจ้าหลูกนองมาด้วยครับปวดไหมปวดครับไอ้กินนา้นาน้ําเดือดก็ปวดอยู่แล้วกินน้ำหนองก็ปวดอยู่แล้วกินน้ําฉาแพรก็แสบอยู่แล้วมาเจอพวกตามมาอีกพอตามมาเสร็แล้วว่าไงครับลามาราบัมบีหิมนี่วันหน้าพูดเลยครับมัทธาบันคือน้องเคยเดินทางผ่านอะไรนะั่น ซอยนานาใช่ั้ยปากประตูก็เขียนไว้แลยมาฮาบัมทกลุมเวลคอมต้อนรับต้อนรับต้อนรับใช่ไ้มท่านเดินผ่านไปใช่ั้ยแต่อรว็ใชายภาษาดีเหมือนกันลามาหาบัมไม่มีการต้อนรับพวกเขาใช่มไ้มนี่ก็ทรมานอีกล้วมึงยัมาตามกูกูไม่ยุ่งกับมึง นี่ก็เป็นการทรมานอีกประเภทหนึ่งอะ่ะอ m a t e u r ลองลองลอ ง, ลองทอยดต่อรอบไปก่อนเดี๋ยวเจอพอเจอจะสํานึกอลออาฆาตายเชิ้งลูกน้องฉันอีกละเนี่ยไม่ใช่ฉันคนเดียวมีอีกอย่างลูกอีกอะ่ะญาติพี่น้องลูกวอกลูกเต้ลู ก, ลกจุดเดินกันตามกันหมดเลยอะ่ะเพราะฉนั้นเห็นนะและมัทธาบัมบิลว่ไม่เกี่ยววะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาจะเชื่อไม่เกี่ยวจะได้ตามมึงเหรอ อต่นี่เป็นต้นฉะนั้นเป็นหัวหน้าคนก็ต้องระวังนะเอาแต่พวกเอาแต่พวกล้วไม่คิดถึงศาสนาเลยอ่ะต้องคิดถึงศาสนาใครจะเป็นผู้นำคนต้องนำคนนมาดนำคนอา่านอัลกุรอานนำคนศึกรุลนละนำคนให้อภัยคนนำคนทำดีกับพ่อแม่ให้อภัยกับคนที่ได้ละมัง่งเป็ผู้นำมัม่งต้องสอนเรื่องอิสลามให้พี่ให้ลูกน้องฟังก็เป็นผู้นำทำไม แต่เงินเดือนอย่างเดียวนัคนคาเฟ่แต่มุมินต้องรูจะสันึกตะลามาลฮาบามบีฮิมไม่มีการต้อนรับแกบพวกเขานี่ใครพูดรู้ไหมหัวหน้าพูดหรือคนที่มาลายกาที่เฝ้าเฝ้นานรกพูดอะไม่มีการต้อนรับแบบนี่ธรรมดาคนเดินเข้าบ้านัน่ต้องเชิญครับสวัสดาาีคุมเชิญครับ แต่นี้ยมีไหมไม่มีการนลืกกแสอ ย, ยู่แล้วเดินเข้านรกเขาด่าอีกมึงใช้ชีวิตอย่างไงบนดุลยาไม่ไม่มี น, นบีมาสอนคุณมาเลก้าถามแบบนี้นี่ตกนรกทําไมเนี่ยอลัลลอฮ์ส่งนบีมาคุณไม่เชื่อนี่จะไปเชื่อฟาโรห์ลแล้วไปเชื่อทําไมไอ้บุคคลเหล่านี้ไม่มใช่ผู้นาคุณอันนี้ผู้นําดุลยาคุณเชื่อเกาหมดเลยอะ อาลมอุลามามีอัลลอฮ์ให้มาถ้ไม่เชื่อก็ไปดาเขาเองอ่ะเห็นสูกเราไม่ให้สร้างพวกเราจังหวัดนี้เออเองเจอแน่ถ้าชาติอบบใบขายในเพนดานนะรักอิสลามเถอะเองจะปลอดภัยอ่ะถ้าเองจะดันทุรังจะเองเจอนะครับต่อมาครับอินนาฮุมซาลุนนา อินนาหุมพวกเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับอลูแปลว่าเข้าไปอนารเข้าไปในนรกอัลอลอฮ์อับร์ับนะครับมุกตะฮิมุลเนี่ยเาวยุนแปลว่าจะมาะกองทัพหรือพ่าพ่ายพลมาถึงลูกน้องมุกตะฮิมุนมาจากอิกตะขามาแปลว่าผู้ที่รีบเข้าไป อย่างเร่งด่วนรีบเข้าเห็นนรกกม่ได้รีบเข้าเลยนี่ตรงนี้นจะเล่าให้ฟังนะมุกตาหินบ่ารีบเข้าเห็นนรกที่เขาจะหนีใช่ว่เข้าไปไหนไม่รอดมีทางเดียวอ่ะเข้านารกรีบเข้าอ่ะ a ะ l a h u a ล้วก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยก่อนเข้ามีมีคนต้อนรับไหมไม่มีกามีแต่คนด่าละมาราบามบีไม่มีการต้อนรับเสียใจนี่ไงนี่เป็นภาพเสียใจเหมือนกับกินน้าอะไรนะร้อนๆกินน้ำอะไรนะน้าเน่าน้าเหลืองน้าฉะแผลภาษานีกว่าแสบเหมือนกันนี่เป็นการลงโทษชนิดใหม่เอาต่อมาอยายักษุทาย ในทัปสิทธิ์อิบนุกสิทธิ์อธิบายบอกว่าอไอ้น้ำนี่นะน้ำอะไรนะน้ำหนองนี่นะน้ำชาแผล น, นะของชาวนโรบนะเอามาสักกระปอนะ๋องหนึงนะอามาราดบนโลกดุนยาใบนี้คนนี่ตายหมดคน7จ็ดพันล้านเนี่ยตายหมดเอามากระป๋องเดียวนะี่ อำมำขันเดียวอำาราจบนโลกดุงยาวไปนี่ตายหมดนี่โควิดนี่นิดๆจิบๆเห็นไหมจิบๆเล็กๆน้อยๆเอาไปอัลลอฮฺปันกันมดเลยเห็นไมจะนั้ง ค, คนที่คนทีเอาโควิดเนี่ยโควิดที่มาเนี่ยทำให้เราคนดีๆนึกถึงอัลลอฮฺเยอะนะอัลลอฮฺนึกถึงอัลลอฮฺก็ออกทุกคนเลย เก็บตัวอยู่ที่บ้านออกข้างนอกปิดใส่แมสทำบุญเยอะๆไปน้อง อ, อ่านคัมภีรเยอะๆซิครุลเล่เยอะ ๆ, ๆให้อภัยคนเยอะๆอย่าทะเลาะ ก, กับเมียเลยแต่ทะเลาะ ก, กับลูกเลยเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ไปน้องไปไม่ได้ก็ไม่ไปมาโทรศัพท์คุยเรามีทางออกอายาสุดท้ายครับโกลูใช่ไหม bal antum la marhabam bikum in antum kodam t u m u h l a n a fabi s a l q a r qaulu bal antum la marhabam bikum Antum q a d d a m tumuhulana, Fabi s a l q a r a h a l l a h u a y b a n a k y a t s b a u h t a r a n a n i u t i t h u a n y a n a k a a l u a y a t i h u a l u a n y a t i d h a a u n a i d k a h u a n a n h u a n a n t u n a d h u k o r n g a h u k a t h u o n g a h a o r a t u k n a k u r d a o i k t h u n g t d a u t i d k u k a a u o r t k u k a n g y a t i a k a o r t a a u k u o a n g y t a k a u n g y a t a k a k u t a k k u อันนี้หัวหน้าลูกลูกน้องพูดอายาเนี้ต้องการจะบอกว่าคนในนรกก็ทะเลาะกันอยู่บนดุนยามันก็ทะเลาะกันอยู่แล้วใช่หรือไม่ใช่อมองมองที่สภานะใช่ไหมไม่ใช่ทะเลาะกับบนดุนยาแล้วเลิกไม่ใช่นะไปทะเลาะต่อเองไหนะ ในนรกนี้อลอลาไปกว่าฉะนั้นมุมิมต้องเชื่อการทะเลาะกันในนรกนั้นเป็นอัตีดด่ากันไปด่ากันมาละนัดกันไปละนัดกันมาแช่งกันไปแช่งกันมาบนดุนยานี่แช่งกันยังไม่พอจับติดคุกแล้วยังไม่พอในนรกเจออีกแังมุสลิมทุกคนต้องเชื่อนี่เป็นอัตีด้เพราะเล่าในกุอาน ละบาลอันตุมกอลูและพวกเขาลูกน้องกล่าวว่าบัลไม่ใช่ดอกพวกท่านพวกท่านดี่ลูกน้องดานะนะละมารฮาบัมบกุมพวกท่านตั้งหากไม่มีการต้อนรับแก่พวกท่านเหมือนกับเป็นการขอดุอาให้อลัออลออลอฮอัลลอฮจะ อย่าลงโทษฉันคุณเธอเลยไอ ห, หัวหน้าหัวหน้านี่แหละลงโทษพวกนี้ยอย่าไปต้อนรับพวกนี้ไอฉันเนี่ยมันก็ถูกตามเขาใช่ไหมล่ะนี่ขอเป็นการขอตัวอลัลลอฮฺจะลงโทษนี่ลูกน้องนะล้านคนแปดล้านคนเดินตามพักฉันแปดล้านคนรวมกั น, นอ่ะอัลลอฮฺจะลงโทษหัวหน้าสามคนนี้แจะเป็นไงครับแล้วมันหนักยิ่งไอยู่บนตุนยาอยู่นะ ต่อมาครับและมารธบัมบิกุมไม่มีการต้อนรับแก่พวกท่านผู้เป็นหัวหน้าอันตุมพวกท่านแท้ๆกด็ดำตูมูฮุลานาที่ได้รับรองว่าตามท่านแล้วเนี่ยจะได้รับความสำเร็จอ่ากด็ดำตูมูฮุลานาคุณรับรองใช่ไหมล่ะ ประานาธิบดีรับรองบุชรับรองชั่มรับรองแล้วใครรับรองอีกปรานาธิบดีองอของอะไรนะของของอิสราเอลรับรองเอามาตั้งอะไรสถานทูตกุงการเบงกิดนะสถานทูตอเมริกาตั้งอยู่ในอะไรนะอในปาเลสไตน์ได้ใครรับรองทั่มรับรองะนี่นะขันตุมก้อนดำตูมู้หุละนาะพวกท่านทั้งหลายเนี่ย สำหรับพวกท่านที่ได้รับรองมันไว้ไม่แต่การเมืองเดี๋ยวมันจะลามเอาแค่นี้่อเอาอิสลามอย่างเดียวพอพี่น้องกุนานคือาการเมืองทั้งหมดแต่เอาลบพูดดีครับพยายามอยู่ในขอบเขตของอิสลามเอาสุนทรนะบีมัชชัเห็นหั้ยคุณรับรองเค่ว่าตามฉันได้ปลอดภัยอ่ะ วันนั้นลูน้องด่าแล้วอรอมันนะรับรองฉันนะแต่ฉันจะพาออกจากคุกได้คดีคุณไม่การการเบืองนะคดีคุณไม่ไปไหนครับหมดตรงนี้แ้วคดีคุณที่ขวามจะนะติดคุกหมดอันนี้เป็นตัวตัวหลุดแดงนะเอา เ, อาเอาข้าใจง่ายๆนี่นะโอเขนะฟา บ, บิสัลกร ด, ดังนั้นชั่วช้าแท้แท้ที่พำนัก ของคนที่เป็นหัวหน้าคนและเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นน้องที่เดินตามความจริงมันต้องเดินตามใครอัลลอฮ์เดินตามรอซูลของอัลลอ์ถึงจะปลอดภัยใช่หรือไม่ใช่แต่ทิ้งอัลลอ์ทิ้งรอซูลทิ้งคุรานทิ้งสุนน้านบีเดินตามคนกลาแค่ไหหัวหน้าพักการเมืองง่ายๆก็แล้วกันแต่็นตัวราว่าชีวิตของเราอยู่บนดุนยานี่ก่อนจะจบมันจะเป็นยางี้ อัลฮะนอกเรื่องอัลฮากูมุตตะกาสุลแปลวา่าอะไรตะกาสุลว่าการสะสมให้มีเงินเยอะๆการสะสมให้มีชื่อเสียงเยอะๆการสแสวงหาสะสมให้มีตําแหน่งเยอะๆอัลฮาทําให้สูญเจ้าลืมลืมอะไรครับลืมนึกถึงอัลลอฮ จะนึกได้ตอนไหนฮาตะยูรตุลมะกอบิร um ์จนกว่าท่านทั้งหลายถูกพาไปที่กูโบเพิ่งจะนึกออกอัญยาตัวเรามาเงินที่หามาช่วยอะไรไม่ได้เลยตำแหน่งหามาช่วยอะไรไม่ได้เลยเกียรติยศที่มีอยู่ในสภาช่วยอะไรไม่ได้เลยสักนิดนึงฮัตะยู um ุตุมุลมะกอบิ กันละซาอูฟต้าละมูน <on> พูดสองครั้งกันละซาอูฟต้าละมูนทุกมากันละซาอูฟต้าละมูน <on> แล้วคุณจะได้จะได้รู้คุณจะได้รู้พอนอนอยู่ในกุกโบภับอ่านุญยากรีนมาแล้วครับกุญยากรีนเรื่องที่นบีสอดไปเรื่องจริงทั้งหมดเลยแต่ฉันพาดไปแล้วไปตะปกรณ์ตายพอตอนเพเพิงพ่งเห็นภาพหมดเลยเนี่ยภาพในนากุกโบเห็นหมดเลย อัลลอฮฺว่กษัรหาเงินทาไมตั้งเยอะไม่มีเวลานามาหาเงินไม่มีเวลาอบรมลูกหาเงินจงกระทำไม่ได้เข้าสราหาเงินจกระทโกงเข้ามาจะแย่งชิงเข้ามาอัลลอฮทําทําไมอันอัลฮกุมุตตะกสุบฮัตตาซุุลมกกาสตะลามุนซุมกาตะลามุนกลลาลาตะลามุนยลมลตน พอพอไปเจอนอกูบูเนี่ยมันจริงหมดเลยอะ่ะขณะนี้เราอ่านกัรอ่านเยอะมากเนี่ยความรู้นะความรู้ทำให้เราเชื่อแล้วก็ไอบุลยากินีนใครนันไฟฟารโรจมจมจมนำตามันก็เห็นด้วยสายตาันยังไม่ชินเท่าไหร่พอตายแล้วเห็นจริงๆเลยอะ่ะตายจริงอล๋อ รบบนาอบสอรนาวนาซ า, ามียนาฟาดจียานาหน้ามลสัลยฮันอินนาอินนามกีนูนอัลลอฮฺจ่าฉันเห็นแล้วนี่เล่านะบนบนดุจาน่ะฉันเห็นแล้วฉันเรียนแล้วพอเจออยู่ในกโบฉันได้ยินแล้วเห็ น, นการลงโทษจริงๆฟาดจียานาโป่โสนฉันกลับมาอยู่บนโลกดุจาใหม่มาทํำไรมาทํางานศาสนา น่าเมตซอลิฮันใช่ไหมจะมานะหมามาเชิดชวนคนให้ทําความดีจะให้อภัยกับคนจะบริจาคจะไม่คิดเงี้ยอีกต่อไปแล้วอินนะมูกี่นวลฉันเชื่อแล้วตอนอยู่ใ้กูโบที่นบีเล่าให้ฟังมันไม่เชื่อไปเห็นด้วยตาเองเพงเชื่อทําไมต้องรองให้เห็นก่อนละ่ะพราอก็บอกว่าโลกโกลมต้องเชื่อก่อนเอา นบีมีจริต้องเห็นนบีก่อนเไม่จำเป็นอ่านอ่อานก็พอแล้วอนีมความรู้ทั้งหมดตมสุภาพนบอัลฮุวะบิฮัมสซาลลอฮิลาิลาฮสตักิลลฮวะลา